You โชคดีที่เธอได้เจอฉันก่อน I'm right here baby ไม่งั้นเธอต้องตามหาตลอดนี่ไงเลย baby คุณนี้ที่เข้ากับเธอที่สุดถ้ารักคือข้อสอบไงฉันคิดกันต่อ บอกทีไ like, รว้ฉันพร้อมกว่าใครเธออาจจะเหนื่อยน้อยนะแต่เธอจะหาสมวันแบบนี้บอกทีไ like, รที่ไหนก็ไม่มีจะเธอไม่ลองจะจะรู้ที่ง่ายหรืที่ไม่ดีเอาลองมารักสักทีสองทีเจอ ถ้าเธอ me s สบายจะทำให้เธอสบายที่สคยคิดทธอไม่เ o ื่อไว้จำเรื่องเมื่อป้ายกันให้สนุกหนึ่งเช้าดี่าไห่ให้คลื่นมันซัดจนเธอน่านะจุก e ไม่ใช่ฝันแน่นอนเธอไม่ต้องรอย ใ, ใครต บอกทีไลว่าฉันพร้อมกว่าใครเธออาจจะเหนืยน้ยนะแต่ธจะหาสมุนลกไม่บอกทีไรที่ไหนก็ไม่มีจะเธอไม่ลองเธอจะรู้ทีไหนว่าที่ไม่ดี ลองชาชื่อู้ดีไงว่าด e ไม่ด